สาหรับน้านนี้พ่อก็จะของงดเรื่องธนาคายข้าวเสียแต่ความจริงวันนั้นก็ประกาศธรรมดาประชาชนทราบว่าถ้าเริ่มตั้งธนาคายข้าวศูนย์สงเคราะห์คนยากจนในถิ่นทุรกันดาลที่ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระยอย่หัวจเจ้าข้าวเริ่มต้นมาใส่ไว้ให้สักสี่สิบก และก็ในบางโอกาสจะนำยารักษาโรคมาแจกจะนำหมอมารักษาฟรีเอาเสื้อผ้าอาหารอะไรก็ตามเท่าที่าหารได้จะมามอบให้ถ้านศูนย์จะจุดจุดนี้ธนาคารข้าวเป็นการสงเครืฟรีแต่สำหรับข้าวนี่ถ้าจะเอาก็ต้องยืมกันรู้สึกว่ามีบรรดาประชาชนหลายท่านเดยกั น, สนแสดงความเห็นชอบโดย แต่นรงว่าทางวัดหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่นั่นแต่ความจริงวัดนี้วัดดอนคนทานี่อยู่ติดอำเภออยู่ที่จําเภอบัวใหญ่มากถ้าหากว่าท่านนักปกครองมีความหวังดีกับประชาชนท่านก็คนจะทําเ อ, อวันนั้นพ่อเองก็รู้สึกปลื้มใจที่บรรดานลูกๆทุกคน และที่มากันทุกคนนี่ก็ทำงานก็ได้ความเต็มใจแม้แดด ก, ก็แสงจะร้อนนะเดือนมีานาคมนั่งอยู่แล้วไอแดดที่เข้ามาคล้ายๆกับไอไฟจะมองหน้าดูใครแต่ว่าทุกคนเข้ามาก็ได้ความสดชื่นเข้า ม, มาเลยงานบอกว่าไม่เคยเห็นเลยสีดิ่งดาเลยได้ยินแต่เสียงเสียงก็เข้าเทปไปเปิด ดยินได้ไดยินจะชื่ออยากจะรู้จักตัวคิดว่าตายไปนานแล้วมาดีคือบุญแล้นะถ้ากําลังใจของท่านโว น, นั้นท่านสัสิทธ์ท่านนึกว่ า, กาตายไปนานแล้วพ่อคงจะตายไปแล้วท่านมาดีความดีใจรู้สึกว่ า, าหายการบริโภคก็ทํากันดีมาก <c oughs> แต่คนยังพ่ออะไรพ่อก็กิน <c oughs> เขาอย่างเดียวมีรสเค็มสักอย่างก็หมดเรื่อง มันก็ไม่มีความสําคัญเรื่องรสของอาหารแต่ว่าขาดรสเค็มไม่ได้คําว่าขาดไปได้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าติดไม่มีเค็มก็กินไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นคือฝึกซ้อมจนชินในสมัยที่ออกทุน ด, ดงคิดว่ามันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรกินก็ช่างมันแค่มีเกลือกินก็ใช้ได้เท่านี้เองตอนนั้นก็เริ่มก็คุยกันไปทั้งเรื่องต่างๆ โอภาปราสายไปคนมากก็รู้สึกว่าไม่รู้จะคุยใครและกี่คนก้นไาเด้กคนข้างหน้าประรมก็ทำก็นั่งกันเต็มหมดทุกคนก็เป็นฝ่ายฟังคุยไปคุยมาพ่ก็เห็นว่าถ้าเขาจะรำคาญเมื่อฉันปาตาหานเพลงเสร็จหลังจากเที่ยงนิดหน่อยยิ่งได้แนะนำในเรื่องเขามาโนยิธิต้องการให้เขาฝึก ลูกๆเนี่ยพ่อจะอธิบายให้ลูกฟังลูกปฏิบัติกันได้ทุกคน <c oughs> แต่ว่าถ้าเราทำได้ถ้าคนอื่นเขาทำไม่ได้ลูกจะไปคิดว่าเขาไม่ดีนะมันเป็นกิเลสมันเป็นมานะหรือว่าต้องทำความรู้สึกอย่างนี้ในร่มใสในเย็นดีนะเม <c oughs> ื่อวานนี้วันที่สิบเรานั่งคล้ายๆกับนั่งกับกองไฟ วันนี้วันที่สิบเอ็ดมีนาคมเรานั่งใต้ร่มไสรคล้ายๆกันนั่งแช่น้ำเห็นไม่ยลกทุกเสียงทุกอย่างเนี่ยมันเปลีน่นิจังไปหมดในกรทูกเสียงทุกอย่างในโลกมันก็เป็นทุกขังนี่เอาทิ้งกันไปก่อนวันนั้นเมื่อวานนี้ลูกคงจะฟังพ่อพูดแล้วก็แปลกใจถึงกับลูกพอนุดออกปากว่าไม่เคยได้ยินมาก่อน ว่ามาโนวิธิของเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าท่านนะไม่ใช่ของพอ่อความจริงหลักสูตรในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลมีอยู่สี่จุดคือสุครวิปัสสโกเตวิโชชลวินโยปิสมิทัปปโตดีเหมือนกันหมดแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงวางไว้สี่แบบก็เพื่อให้เป็นอาหารใจค้าเรียกกันว่ามาโนสัญเจตนาอาหาร มนโนสันเจตนาหาันก็แปลอาหารทางใจการปฏิบัติทางใจเนี่ต้องตามใจคนชอบสุขภาวิเศษโกปฏิบัติเรียบเรียกไ่ต้องการเห็นอนะไรเลยเตวิโชตหูทิพตาทิพตาทิพระรึชาติได้ฉะละพิญโยสแสดงนิดได้ปฏิสมัมพิทัปโต รู้ทั้งหมดเท่ากับวิชาสามปัญญาหกก็สามารถรู้ภาษาของทั้งโลกทั้งหมดทั้งคนและสัตว์ที่บางคนก็ต้องการเงียบสงัดบางคนก็ชอบสนุกแต่ผลจริงๆก็คือตัดกิเลสให้เป็นพระอรหันต์ปานิพานฉะนั้นลูกจงอย่าทำลายอารมณ์เขาบุคคลอื่นใครเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบมันเราจงอย่าว่าเขาเลว ท่านที่ปฏิบัติในท่านขั้นสุขาวุบาสโกนี่ความจริงท่านมีกำลังใจเข้มแข็งมากชื่วว่าปฏิบัติแบบอภาษฎดำโกตาเดินนี้ไม่อดทนจริ ง, รงๆไม่สมเร็จมากผลเราต้องสันเรินในขั้นวิทยาอุสาหะขั้นเตวิโชคืิชาสามขั้นนี้ก็ต้องใช้กำลังใจหนักเราต้องทำฌานสี่ในกระสินให้ได้ ตามกําลังใจชอบ <c oughs> แล้วสามารถวัดกําลังใจเร้่อนาอารมณ์เป็นทิพย์ก้นหนักอีกสําหรับชนะพิญโยได้พิญญาหกจะต้องทํากระสินทั้งสิบอย่างในชานสี่ทั้งหมดเข้าชานตามลําดับชายเข้าชานตามลําดับลาดับกสินเข้าชานสลับชานสลับกสินต้องให้คล่องก้นหนักปฎิสัมมิทัปโตจะต้องเจริญสมาบัตแปด 8, ได้คล่องนี่ก็หนัก ไปมาต่างคนต่างหนักต่างคนต่างหลักไปคนละแบบฉะนั้นจงยติกันดีเหมือนกันผลที่ได้จริงๆก็คือมรรคผลนิพพานไม่มีใครไปเลยนิพพานถ้าเลยนิพพานก็ต้องลงเอเวจีอย่างปฏิวัติ <c oughs> ฉะนั้นขอเนื้อสี่อย่างนี้ถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าไว้ทรงตรัสสอนมาจาไม่ดีนะลูกนะอย่าไปตาหนิเขา เมื่อวานี้พ่อพูดจุดหนึ่งที่ลูกพนุษย์บอกว่าไม่เคยได้ฟังมาเลย <c oughs> ความจริงพ่อก็ไม่เคยพูดที่ไหนการเจริญธากรรมฐ า, านเนี่ยโดยมากมักจะเอาเอ า, เอาก น, นิพพานนิพพานนิพานนพานอย่างเดียวแต่ความจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคนไหนจะไปถึงนิพพานไอ้นิพพานเนี่ยขา้าประดับดับอะไรลูกจำได้ไหม ที่มันดับก็คือดับทุกข์ทุกข์ที่มันจะมีกับเราเนี่ยมันดับไปใจมันเย็นใจมันสบายอารมณ์มันเป็นสุขคําว่าดับไม่ได้หมายความวันดับชีพคือดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์นี่การเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้พ่อนําด้วยวิธีมโนมยิทธิเพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้าท่านใช้ทุกอย่าง เราไม่ใช่พระพุทธเจา้ามีความดีมีความสามารถไม่เท่าพระพุทธเจา้าจะเลือกสอนตามชอบใจอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มียานพิเศษพ่อก็ต้องทําแบบประเภทต้มยาหม้อใหญ่นะลูกนะพ่อเต็มใจเหนื่อยถ้าหากประชาชนมีความสุข การสอนด้านสุขวาวาเสกโกมีผลดีในระดีแบ บ, บพระพทลาด์เพราะไม่มีราวบันไดเกาะพวกเรามีกํำลังน้อยถ้ายางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเก่งกำลังน้ำใจของท่านสูงสงสมาธิ่น ด, ดีมีความมั่นคงขอ ง, ของจิตมาก ยังพระบาทสมเด็ดจเี้หัวไม่ต้องใช้วิชาสามหรือ ว, ว่าปัญญาช่วยก็ได้คือจะขึ้นบันไดใช้เฉยโดยไม่ต้องเกาะราวก็ได้แต่สําหรับพวกลูกลทุกๆคนหลายคนส่วนมากที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าการเวลาล่วงไปนานเท่าไหร่สัญญากับปัญญาของคนก็เสื่อมทรามลงมากเท่านั้นสัญญาเบลความจําปัญญาเบลความคิด คิดเห็นที่ถูกต้องข้อนี้เป็นความจริงพ่อรองใช้สุคราชโกดูแล้วก็กลายเป็นน้ําขึ้นน้ําลงเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงกําลังใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็สามแล้วก็ต้องหาบันไดก่อคื้นิมิตจึงหาทางคิดสอนในด้านวิชาสามก็ไม่มีผล จึงมหาหันมาจะไปสอนอภิญญาหกก็ไม่ไหวแน่แรงเกินไปจึงมาหากำลังใจที่ประลิที่เรียกว่ามาโนวิธิก็พอดีบังเอิญบังเอิญจริงๆเดโอกาสอุทายอุจาระตรงร่องลูกชุดแรกไม่มีตัวอย่างรู้สึกว่าจะทำก็ลำบากสักหน่อยมาตอนหลังๆนี่วันเดียววันเดียววันเดียวกันเป็นสายยางมากก็สี่วันได้ สร้างความเพลดเพลินจเจริญใจเห็นสวรรค์ก็ได้เห็นภูมิโลกก็ได้เห็นนิพพานก็ได้เห็นนรกก็ได้เปิดปรบการณ์สติริชนใครจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทําอะไรที่ไหนปัจจุบันก็เห็นได้รู้ได้ไปถึงได้ <c oughs> อจิตรับสัมผัสเลยด้วย ก, กาลังของจิตอันนี้รู้สึกว่าบรรดาลูกลูกทุกคนจะมีกําลังขึ้นพ่อก็ดีใจ แล้วก็ผลที่ทำให้เห็นอย่างนี้เพียงแค่ระยะเดือนสองเดือนเสร็จเลร็จก็มีปริมาณคนที่รับไปแล้วประมาณสามพันคนเสร็จทิ้งวันพูดนี่พอคิดว่าเกินก็สี่พันคนเอาเริ่มต้นแต่สิบสามธันวามาันแล้วกันที่เราบุกกันใหญ่พ่อแดวสายกำลังของลูกทุกด้านพ่อขอบใจลกรก ในความดีของลูกนี่มันยากได้เกินที่พ่อจะเอาอะไรมาเทียบมาเคียงให้มันสม่ำเสมอได้โดยความจริงลูกทุกคนมีความดีแต่ขอลูกทุกคนจะรักษาความดีของลูกไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มแต่โยงยาล้นเลืองในความดีของตนคิดว่าเราดีจงนึกถึงคําสอนของพระเจ้าวันเสมอว่าอัตนาโจทยาตาหนัง จุดไหนที่เราดีเรารักษาความดีไว้แต่ว่าจุดไหนที่เรายังไม่ดีสระยามทำลายความไม่ดีให้มันหมดไปทรงไวแต่ความดีลูกรักพิธีนี้ลูกทุกคนก็จะมีแต่ความดีมนโนยิทธิทำให้คนเลิสกสุรายาเมาทำให้คนมีศีลห้าบริสุทธิ์ทำให้คนมีอารมณ์มีสมาธิตามันมีไร้คนายงาน มาที่บ้านมา่ก่อนนี้เคยดิ้นรนเดือดร้อนกลุ่มแต่พอลุกได้เข้าใจสบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการก่อนเคยรุนแรงกับใจไปแล้วนี้กระทบเข้าก็รู้สึกว่าก็มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับเคยถูกหินทุ่มมาแล้วแต่กลับมาถูกปุยนุ่มถุยหินทุ่มแทนแต่ความจริงอาการที่มามันเท่ากันการรับสมัติทางจิตในสมัยกันมันเบา ท่านบอกว่าท่านมีความสุขสามีที่เคยนอกมาก็ไม่ไปภรรยาที่เคยจะไหลไปซื้อของมากมากก็ไม่ไปเห็นว่าการซื้อของใช้มากๆไม่เกิดประโยชน์เอาเสียตังค์เก็บไว้รักษาตัวให้มันมีความสุขภายในบ้านดีกว่าเรื่องเครื่องประดับประดาไม่มีความหมายนี่มันลดไปเยอะนะลูกนะพอเห็นประโยชน์อย่างนี้เราได้ว่ามีโองค์หนึ่ง ที่ไม่เห็นด้วยนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระยิ่งหัวท่านบอกว่าไม่ต้องเกาะแต่เขาจะไปตำหนิท่านนะแต่ท่านกับพ่อเนี่ยเป็นคู่ทะเลาะ ก, กันอยู่เสมอแต่ว่าพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระยิ่งหัวจะฟังแล้วต้องฟังให้ดีนะลูกท่านพูดเอาเหตุเอาผลท่านไม่ได้เถียงแบบคนเถียงเอาแพ้เอาชนะแล้วก็จะว่าท่านก็ไม่ถูก พ่อก็ชอบแย่ท่านเหมือนกันท่านชอบเล่นสายสุขาวิปัสสโกแต่ว่าจะแอ บ, บแอ บ, บเล่นตีวิโชเข้ามาหรือเปล่าเพราะไม่แน่ใจเนี่ยกําลังใจดังเข้มแข็งมากสมาธิของท่านดีมากท่านไม่คุยพ่อก็รู้ว่าท่านไม่ชอบประสูติแต่สมเด็จชอบประสูติพ่อก็ถวายเทพรัชนีเข้าไปท่านก็ทรงติงติ้งมานิตหนึ่ง นี่พ่อกำมันนึกนึกถึงกําลังใจของพ่ อ, อเออพ่อในใจมันเลวล ง, วงแล้ยังไงเนาะแล้วรึกษากําลังใจไว้ได้ดีตามเดิมไม่มีเครื่องพิสูจน์แกพิสูจน์กับลูกๆ ก, กับลูกทุกคนดีทั้งหมดพั้วก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงเ อ, อ๊ะทำไงดีแหละเขาให้พรลดทํารายงานให้เที่ยวสวรรค์เที่ยวพรหมเที่ยวนิพพานเที่ยว น, น, น, น, น, น, น, นรกแล้าลองถวายเข้าไปพ่อ น, นึกใจ เมื่อการถวายเข้าไปมีความรู้สึกว่าถ้าเจ็ดกันมาหลายพระองค์โจตีแน่แต่การโจมตีพระองค์เป็นภาษิตไม่พูดแบบนันเกเลงข้างถนนมีเหตุมีผลน่าฟังพ่อสิได้ในเวลาเขาเฝ้าทุกครั้งพ่อยาวเครื่องบันทึกเสียงไปด้วยก็เกรงจะแม่นในญาติถ้าพ่อเครื่องบันทึกเสียงไปด้วยบันทึกมาแล้วก็ลูกฟังแล้วจะจับใจมากลีลาของพระองค์มีละเอียดละออ ม, มาก การใช้สติปัญญายในการจเจริญพระกรรมฐานแล้วก็มีความนุ่มนวลในใ น, ในพระราชด âm รัฐละมีการฉลาดในการใช้แนวความคิดที่ถูกต้องอันนี้พ่อไม่นยถือว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พ่อจะมานั่งยอท่านสำหรับสมเด็จพระบรมนาชนินาธสมเด็จรงนี้ไม่มีอะไรเวลาเข้าไป ถ้าไปก็มีอย่างเดียวห่วงประเทศชาติห่วงประชาชนท่ายังไงประชาชนจะมีความสุขห่วงไทยทั้งภายในห่วงไทยที่อยู่นอกประเทศนี่พระองค์ไม่ได้ห่วงตัวพระองค์เลยท่านสามพระองค์นี้น่ารักมากกับสมเด็จพระเทพอีองค์หนึง่งสมเด็จสมเด็จพระบรมกับสมเด็จองค์เล็กนั้นพ่อไม่เคยพบกับท่านพอไม่ทราบท่านก็คงจะมีน้ำตไทยแลคลึงกัน นี่เป็นอันว่าพ่อก็ลองคิดฝ่าเอถ้าพ่อส่งเทพเเพรนุชคาร์วานีพระบาทสมเดจ็จเจ้หัวต้องโจมตีแน่พ่อก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะส่งโจมตีไหมก็ลองดูลองถวายเข้าไปประพบกันเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ภูพิงพระราชนิเวศเอ้าจริงจริงดจริงจริงพรีใจมาก ดีใจที่โจมตีนะเขาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกดีใจว่ากําลังใจเขาพ อ, อยังใช้ได้อยู่คิดว่ามันเหลวแหลกไปแล้วพอ <c oughs> งานหนักๆมาเก็เดชซักเดชซ้อฟโหงนั่นหงนี่คิดว่าได้กําลังใจมันจะเสียเพอถูกสพระบาทสมเด็จพรอยู่หัวโจมตีหลงพ่อก็ดีใจแต่ว่านามพระทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวนี่ลูกต้องจํำนะลูกนะ นั่นสมเด็จพระอรมาลาจีนีนาธสมเด็จพระเทพเยอย่าลืมว่าท่านห่วงคนทั้งชาติห่วงคนทั้งชาติทั้งภายในประเทศและภายนอประเทศทั้งหมดนี้ท่านไม่เคยจัดว่าใครเป็นศัตรูกับท่านท่านปราลบอย่างเดียวอยากจะสงเคราะห์เขาให้มีความสุขน้ำประทัยแบบนี้ไม่ต้องเจริญกรรมาฐานก็ได้ลูก เมตตาบรมีนะเต็มเปี่ยมคันติบรมีเต็มเปี่ยมวิริยะบรมีเต็มเปี่ยมปัญญาบรมีเต็มเปี่ยมนั่นเปนเต็มทุกบรมีบรมีใดถ้าเต็มก็อันใดอันหนึ่งเราเต็มหมดเป็นอนุว่าลัมพะไทยทรงอยู่ในบรมีสิบครับทรงเยปมีหันสี่ละอคติอคติสี่คือชั้นทาติละเอียงพระความรัก โทสะคติลงเอียงเพราะความโกรธโมหะคติลงเอียงเพราะความหลงพยาระคติลงเอียงเพราะความกลัวทิ้งทั้งหลายสี่อย่างนี้จงอย่ามีในน้ําใจของโลกดูตัวอย่างพระบาทสมเด็จที่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระสมเด็จพระเทพอีกทั้งสององคง์คงค่ายเคืกันท่านไม่มีอะไรพระบาทสมเด็จพระ่หัวทรงจัดให้ทราบ เมื่อเวลานี้สมเด็จ ก, กัมวังกลุ่มหมงุดหงิดบางทีโมโหไรตั้งนี้พระว่าเรื่องอะไรตัวอะไรมันแย่โหท่านหยุดเสมอคนนั้นก็โทนอย่างนั้นคนนี้ก็โทนอย่างนี้ลูกจะเห็นว่าทั้งนางเสียเวียนคนดีแ่วเสียงพูดกนดีเขาด่าสักดีนากันเขาหาว่าท่านเป็นสักดินาแล้วลูกเอยพ่อฟังแล้วก็เลย เขาคิดว่าท hmm. ี e e. ่ไหนที e ่ไหนมันก็มีศักดินาถ้าที่ไหนมีประธานาธิบด en. ah. ีที่ไหนมีนายกรัฐมนตรีที่ไหนมีรัฐมนตรีที่ไหนมีขุนนางเป็นขุนนางแนวในการปกครองที่ไหนก็มีศักดินาแต่ศักดินาอย่างพระเจ้าแผ่นดินแล้วศักดินาอย่างประธานาธิบดีเขาต้องการศักดินาอย่างพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ ทางนี้พ่ออะไรก็ <c oughs> ค, คนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นคราวหนึ่งถึงตายหรือว่าลาออกแต่ว่าประทานาธิบดีสี่ปีห้าปีก็คนตําแหน่งแล้วลูกก็ลงดูนักการเมืองบางจุดจะเป็นประเทศไทยประเทศเจ็กประเทศลาวประเทศแคกก็คล้ายคึกันก็คนก็แค่คนเขายังไม่ได้เข้ามานั่งเป็น บริหารประเทศบางคนสมัยก่อนโน่นนะกินข้าวต้มกุย้ยเกี่ยวข้างค้าถนนพอเข้าบริหารประเทศได้แค่ประมาณสักปีเดียวตึกรามใหญ่โตมโหานถ้าจะคิดว่าเขาจะเก็บเงินเดือนของเขาเงินเดือนนี้เขามีอยู่แยกเก็บไว้โดยไม่ใช่อะไรเลยมาสร้างตึกมันก็ทําไม่ได้ ที่เป็นจริงด้วยว่านักการเมืองเนี่ยมันก็อดจะกินเมืองกันไม่ได้แต่ว่าอย่าไปโทษคนทุกคนนะลูกนะที่ท่านดีนั่มเอเยอะนี่พ่อพ่อพ่อพูดสำหรับประเภทกินนี่ศักดินาอย่างพระเจ้าเป็นดินเขาตั้งขึ้นแล้วให้เขาเขาให้เงินปีจากัดปรบปีเขาต้องให้เท่านี้พระองค์เลือกเงินเดือนไม่ได้ เขาให้เท่าไรก็เท่านั้น้การเยเซนหนังสือเนื้อหาในตำแหน่งเกี่ยวกับการได้เงินไม่มีในประชาธิปตินมันมีตามกระทรวงต่างๆและนายก ร, รัฐมนตรีหรือกรมกองต่าง ๆ, ๆ, ต, างๆตำาหรับประธานาธิบ ด, ดีเนี่ยเขาเข้ามาสี่ปี5ปีเขามีอำนาจเซ็นเหมือนนายกอนุมัติน่นอนุมัตินี่ ถ้าประธานนาธิบดีแม่นมัสก็ไม่ได้ถ้าว่าท่านประธานนาทิบดีท่านนั้นมเมื่อนั่นหิวล่ะแล้วก็ห้าปีมาทีห้าปีมาทีสี่ปีมาทีก็จะกลายเป็นผงเลือเปลี่ยนผงพ้อคิดว่าถ้าคนเดียวเป็นตลอดชีวิตจะโกงจะกินยังไงก็ตามยังมีอิ่มถ้าเปลี่ยงกันเข้ามากินนี่ต้องรีบกยในนิทานสุภาษิต สมัยเมื่อพ่อเรียนเชนประถมพ่อจําได้ว่าจะวัวตัวหนึ่งมันเป็นนอนในบอ่อฟูงเลือดตอมเต็มทั้งตัวกินเลือดจนอิ่มแล้วก็เกอดเฉยๆแล้วสัตว์อีกตัวหนึ่งพ่อจาไม่ได้ว่าจะเป็นแพะหรือสนักจ่งจอกอลไรก็ไม่ทราบมองลงไปเห็นบอกกระวัวบอกว่านี่แกนอนอยู่ทําไมเล่าไอ้เจ้านี่มันสูบเลือดสูบเนือ้อแกกินไล่ไปถเถอะฉช่วยไล่ให้เอาไหม พัวตัวนึงน็ร้องเข้ามาบอกว่าอย่าไปไล่เลยไอเจ้าเหลือพุงนี้นะ่ะมันกินอิ่มแล้วมันก่อเฉยๆหาท่านไล่พุงนี้ไปพุงใหม่มามันพร้อมอยู่มันหิวอยู่มันจะกินเลือดเจ้าใหม่ในไม่ช้าเลือดเราก็จะหมดตัวนี่ขึ้นที่ว่าศักดินาหมายความว่าคนที่อยู่ในชนชั้นการปกครองมีอํานาจหน้าที่ในการปกครองประเทศตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ แต่เปลี่ยนบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นเหลือูงที่เปลี่ยนผงเปลี่ยนผงบ่อยๆพ่อมีความเห็นอย่างนี้คิดว่ามีพระมหากษัตริย์ดีกว่ามีประธานาธิบดีประธานาธิบดีงานทุกอย่างก็มาจากรัฐสภาพระมหากษัตริย์งานทุกอย่างก็มาจากรัฐสภามันจะมีอะไรแตกต่างกันอันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระมหากษัตริย์องนี้ก็ไม่โกงไม่กินอยู่แล้ว มีแต่คิดให้อย่างเดียวเรามีว้อย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเราก็ได้แต่พูดเท่านั้นนะเราได้แต่พูดอย่างเรื่องน้ำมันก็เหมือนกันพ่อพูดมาคอเกือบแตกตั้งแต่ปีหนึ่งแปดไม่มีใครละมัตนวังกันผลที่สุดเวลานี้เห็นแล้วทุกจากตะมันไม่เกิดขึ้นเห็นไหม นี่เรามากันนี่ตามโบตีปั๊มน้ํามันมีเยอะเราต้องเอารถอีกคันหนึ่งทึ่ต้องเปลืองน้ามันเป็นพิเศษขับบรรทุกน้ำมันมาไม่งั้นเราก็กลับไปได้รู้เห็นไหมว่ามาตามทางนะี่ยรถจอดกันไปแถวคอยน้ํามันตามปั๊มต่างๆเพ่งเข้าคิวกันนี่ทุกเสียงทุกอย่างในโลกจะมาแปลนี้จังหมด่พ่อพูดจะเรื่องพูทถึงมโนยิทธิวันนั้นพ่อได้พูดกับเขา เมื่อวานนี้นะี่ยผู้อาบาญบอกวโนยิธิแล้วถา้ากรรมฐานนี้ทำไม่ว่าเราจะเห็นสวรรค์เห็นพม่าโลกเห็นพรหมเห็นนรกได้ยอย่างเดียวเราใช้ประกอบกิจอาชีพในปัจจุบันให้มีความสุขได้ท่านหนึ่งเราสามารถใช้กําลังใจในการค้าขายทําไร่ทํานารับราชการที่เป็นลูกจา้างปีนี้จะปลูกอะไรดี ผลจะแรงหรือว่าผลจะตกปีนี้จะค้าขายอะไรดีเขาค้ากัานขาดทุนถ้าเราจะค้าจะขาดทุนได้กาไรอย่างนี้เรารู้ก่อนมีเรื่อกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนในสุดแล้วแต่เราจะใช้ใช้ในการครองชีพก่อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้มโนยุทธิจะต้องทรงสินห้าเป็นปกติมีพรมหมฐานสี่เป็นปกติ เมื่อทรงสินห้าเป็นปกติแ ล, ล้วลกจงคิดว่าที่พ่อพูดเรื่องทำคัมจุนโลกน่ะแค่สินห้าตัวเดียวถ้ามีทุกคนโลกนี้จะเต็มไปได้วยความสุขเราจะหาคนจนไม่ได้หุกตารางไม่ต้องสร้างตัวสารตุลาการตำ้งหลวทหารไม่ต้องมีงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งกันมาปีๆเป็นหมื่นๆล้านทพื่อการใช้ใจ่ายเพื่การป้องกันมันก็ไม่ต้องมี เงินทั้งหมดนี้ก็มาบำรุงความสุขเส้งกันเลยกันนั่นเลการนี้สองต่างคนต่างมีความเมตตาหาเลยกันเป็นมิตรเส้งกันเลยกันโลกก็เต็มไปด้วยความสุขมันธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนแล้วแต่เราจะใช้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าจะต้องเรียนเพื่อมรรคผลอย่างเดียวถอเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงแนะนําทดลองอมโนยุทธิมาใช้ แล้วก็เป็นที่ถูกใจคนเพราะเรื่องนรกสวรรค์ น, นี่เขาสงสัยกันมา น, นานก็หาว่าพระโกหกพอเขาเห็นจริงแล้วเกิดความปลื้มใจแล้วทําให้บ้ายของขาความสุขนี่ลูกเห็นไหมลูกลูกเองก็ได้รับฟังมากับตัวเองที่รับรายงานจากบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เขามาฝึกเท่าได้กลับไปไม่ายเขามีความสุขเขากลับมารายงานให้ฟังพ่อ บ, บ้านที่ชอบเที่ยวก็เลิกเที่ยว แม่บ้านดีฟุ่มเฟือยก็เลิกฟุ่มเฟือยลูกเ ด, ด้ือดมาเดือ้เอนี้มันมีความสุขไหมบ้านใกล้เรือนเคียงก็มีแต่คว า, ามสามะกีสิ่งกันเลยกันเอาละสาหรับเทปหน้านี้ก็ยังไม่ได้อะไรกันหมดสิ้แล้วนี่โลกฟักงเทปที่สองต่อไปแล้วกันนะสำหรับหน้านี้พอเขายุกหยุดด้วยตะเพียงทธนี้เพราะว่าเวลามันหมดแล้วสวัสดี